สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิยาพิบาล น, นะครับพี่น้องครับวันนี้เรามาอยู่ในประเด็นสุดท้ายของการตอบคำอธิษฐานครับในหลายๆครั้งทีเดียวนะครับเวลาที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานนั้นพระเจ้าก็ตอบว่าอนุญาต yes ไม่อนุญาต no ในหนังสือ2ีสิบกฎทองคำของาศาสนาจารท์ดอกเตอร์ฟิลิปเทงนะครับซึ่งแปลโดยาศาสนาจารย์สุพิษวิจักโยธินนั้น เป็นกฎข้อที่16ครับว่าพระเจ้าจะตอบว่า yes หรือ no ในเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับวันนี้นั้นจะกล่าวถึงเรื่องของการรับอนุญาตหรือคำว่า yes เพื่ออนาคตสำหรับอนาคตครับไม่ใช่สำหรับปัจจุบันนี้คำตอบของ yes นั้นจะเกิดในอนาคตท่านได้ยกตัวอย่างประสบการณ์ของดาวิดเนื่องจากเพราะว่า ดาวิดนั้นรักพระเจ้ามากดาวิดซึ่งเป็นกษัตริย์นั้นจึงตั้งพระทัยที่จะสร้างวิหารให้พระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าทรงโปรดปรานครับและในความตั้งใจของกษัตริย์ดาวิดนี้เองท่านก็ได้ทูลขอจากพระเจ้าว่าจะขอสร้างพระวิหารพระนิเวศของพระองค์ให้งดงามมีสง่าราศีแต่พระเจ้าตอบครับตอบว่า y yes e แต่ไม่ใช่เจ้า การตอบคำหรืออนุญาตที่ความปรัรถนากระหายนั้นกลับถูกผักให้ยืดออกไปจนกระทั่งถึงสมัยของโซโลโมอนพี่น้องเห็นชัดเจนนะครับเรารู้ว่าในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลนั้นขษัดโซลโลมอนนั้นเป็นผู้ที่สร้างพระวิหารซึ่งเป็นพระนิเวศของพระเจ้าและด้วยเหตุ น, นี้เองเราเห็นว่า ประสบการณ์ของดาวิดในการขอจากพระเจ้าในการอธิษฐานพระเจ้าตอบว่าอนุญาต yes แต่ไม่ใช่เจ้าแต่เกิดขึ้นในอนาคตครับนั่นคือประสบการณ์ของดาวิดดาวิดนั้นตอบสนองคำตอบของพระเจ้าว่า yes God ก็คือยอมเชื่อฟังครับยอมต่อพระเจ้า แต่ว่าดาวิดนั้นไม่ได้ขัดขวางดาวิดกลับเป็นผู้เตรียมวัสดุบกกรด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่เลยครับถวายทรัพย์สินซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระราชาที่ตัวเองนั้นได้สะสมไว้เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่กษัตริย์ดาวิดนั้นน้อมรับคําตอบจากพระเจ้าว่า yes แต่ไม่ใช่เจ้าเหตุการณ์นี้บันทึกไว้อยู่ในพระธรรมหนึ่งพงศาวดารบทที่22 ข้อ13โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าผมยานตั้งแต่ข้อที่หนึ่งะครับของบทที่22แล้วดาวิดตรัสว่านี่แหละพะนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้านี่แหละแท่นเครื่องเผาบูชาสำหรับ Israel. อิสราเอลบญชาให้รวบรวมคนต่างด้าวที่อยู่ในแผ่นดินอิสราเอลและโปรงทรงจัดคนสกัดหินให้เตรียมหินสกัดเพื่อสร้างพะนิเวศของพระเจ้าดาวิดยังทรงสะสมเหล็ก ไว้เป็นจำนวนมากเพื่อเป็นตะปูของบานประตูรั้วและเป็นเหล็กดีบทั้งทองสํำริดเป็นจำนวนมากเหลือที่จะช่่งได้และไม่สนสีดานับไม่ถ้วนเพราะว่าชาวไซดอนและชาวไทระได้นำไม่สนสีดาจำนวนมากมายมาถวายดาวิดเพราะดาวิดตรัสว่าโซโลมอนบุตรของเรายังเด็กอยู่และไม่เคยงานและพนิเวศซึ่งจะสร้าง ถวายพระเจ้านั้นต้องหรูหราอย่างยิ่งมีชื่อเสียงและศักดิ์สิในบรรดาประเทศทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงจะจดจัดเตรียมไว้ดาวิดจึงทรงจัดวัตถุเป็นจำนวนมากก่อนพระองค์สิ้นพระชนแล้วพระองค์ทรงเรียกโซโลมอนราชโอรสของพระองค์และกําชับท่านให้สร้างพระนิเวศถวายพระเยโฮว า, าห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลดาวิดรับสั่งโซโลมอนโอรสของพระองค์ว่าลูกเอ๋ย เรามีใจประสงค์ที่จะสร้างพระนิเวศถวายพระนามแห่งพระเยาววาพระเจ้าของเราแต่พระวจนะของพระเจ้ามายังเราว่าเจ้าได้ทําให้โลหิตตกมากและได้ทําสงครามใหญ่โตเจ้าอย่าสร้างพระนิเวศเพื่อนามของเราเลยเพราะเจ้าได้ทําให้โลหิตตกเป็นอันมากต่อหน้าเราบนแผ่นดินโลกดูเถิดบุตรชายคนหนึ่งจะบังเกิดแก่เจ้าเขาจะเป็นคนแห่งความสงบเราจะให้ความสงบแก่เขา ให้พ้นจากศัตรูทั้งสิ้นของเขารอบข้างเพราะเขาจะมีชื่อว่าซาโลโมอนและเราจะให้สารภาพและความสงบแก่อิสราเอลในสมัยของเขาเขาจะสร้างพระนิเวศเพื่อนามของเราเขาจะเป็นบุตรชายของเราและเราจะเป็นบิดาของเขาและเราจะสถาปนาราชบัลลังของเขาเหนืออิสราเอลเป็นนิดนี่แหละลูกของข้าเอย๋ยขอพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเจ้า และขอให้เจ้ามีความสําเร็จและสร้างพนิเวศของพระเยาววาพระเจ้าของเจ้าสําเร็จดังที่โปร่งตรัสถึงเรื่องเจ้าข้อ12ครับขอเพียงพระเจ้าประสาทให้เจ้ามีความเฉลียวฉลาดและความเข้าใจและทรงตั้งเจ้าให้ปกครองอิสราเอลและทรงโปรดให้เจ้ารักษาธรรมบัญญัติของพระเยาววาพระเจ้าของเจ้าแล้วเจ้าจะทําสําเร็จพี่น้องครับนั่นคือสภาพ เหตุการณ์ที่ได้บรรยายในพระธรรมหนึ่งปงสวดานบทที่22ครับเป็นการสร้างภัยวิหารของพระเจ้าพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าพระเจ้าตอบคําอธิษฐานของกษัตริย์ดาวิดคำคำอธิษฐานของกษัตริย์ดาวิดนั้นเป็นครรําอธิษฐานที่อยู่ในพระทัยของพระเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกยียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าตอบรับครับว่า yes เจ้าอยากจะสร้างพระิเวทให้กับเรา yes แต่ยังไม่ถึงเวลาต้องรอคอยครับไปสําเร็จอีกรุ่นหนึ่ง ก็คือรุ่นลูกของดาวิดเองก็คือโซโลมอนแต่ดาวิดนั้นก็จัดเตรียมครับจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของพระองค์เองเพื่อที่ลูกของพระองค์คือโซโลมอนนั้นจะสร้างพระนิเวศของพระเจ้าให้มีสงหาราศีงดงามทีเดียวพี่น้องครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับเราได้บทเรียนอยู่2ประการด้วยกันครับบทเรียนแรกก็คือพระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานครับ ตอบคำทุนขอของเราแต่มีเวลาของพระองค์เวลาของพระองค์นั้นเป็นเวลาที่ดีที่สุดครับเราต้องยอมจำนวนต่อพระเจ้าเราต้องยอมเชื่อฟังและยอมครับประการที่สองบทเรียนอันหนึ่งก็คือเพราะการงานนี้สำเร็จที่อีกคนหนึ่งเราจึงควรให้ความร่วมมือนะครับหลายครั้งทีเดียวเมื่อเรารู้ว่า การงานนี้จะสำเร็จที่คนหนึ่งเราก็เลยไม่ให้ความร่วมมือครับเพราะว่าเราไม่ได้หน้าเราไม่ได้บำเหน็จเราไม่มีความร่วมมือและไม่จ่ายค่าทดแทนไม่จ่ายราคาไม่ช่วยไม่อุทิศไม่เตรียมตัวให้ไม่เตรียมให้พี่น้องครับแท้จริงแล้วเป็นพระราชกิจของพระเจ้านะครับไม่ใช่ธุรกิจของเราเป็นพันธกิจ ของพระเจ้าไม่ใช่งานของเราทำเพื่อตัวเองไม่ใช่ครับแต่เราต้องทำเพื่อพระเจ้าทำเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าไม่ได้สำเร็จที่เราก็ไม่เป็นไรพี่นงครับการให้ความร่วมมือการเตรียมคนนั้นสำคัญครับหลายหลายครั้งทีเดียวบางคนก็คิดถึงแต่ตัวเองคิดถึงแต่เกียรติคิดถึงแต่สิ่งที่เราเงจะได้จะได้อะไรจะเสียอะไรคิดถึง ในเรื่องนี้แต่ไม่ได้รู้ครับว่าน้ามาันไทยของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรและเราไม่ได้เตรียมคนเราไม่ได้สร้างคนเราไม่ได้ทำให้งานที่จะต้องต่อไปนั้นได้สําเร็จขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะสามารถที่จะช่วยกันครับสร้างคนเตรียมคนเราจะส่งไม้ต่อไม้ต่อ น, นี้จะถูกส่งออกไป น้ำมาไทยของพระเจ้าจะสำเร็จพระเจ้าจะตอบว่า yes แต่ไม่ใช่เจ้าจะทำสำเร็จคนอื่นนะเราต้องให้ความร่วมมือเราต้องสนับสนุนเราต้องอธิษฐานเผื่อเราต้องมีความหวังดีและมีความหวังใจอาเมน